ให้เวลากับเราหลวงพ่อขานมัส ก, การ<ฮ>ค่ ะ, ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องกรรมฐานจะแก้กรรมได้อย่างไรคะ่ะอยากจะนมัสการเรียนถามหลวงพ่อว่ากรรมฐานมีความหมายว่าอย่างไรคะขออาจารย์พรกรรมฐานบางคนไม่เข้าใจเยอะคําว่ากรรมต้องแปลก่อนกรลร ม, มแปลว่าการกระทําค่ะฐานตัวนี้แปลว่าถอฐาน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 ตัวอย่างให้เห็น <c oughs> เห็นปับ๊บสตีดี <c oughs> สตีก็กําหนดทรงกระแสจิตที่ตรงหน้าพระส่งออกไปเห็นนี่ลูก <c oughs> นี่ของนี่ไม่เ ก, กะกะถ้าคนมีปัญญาจะต้องเก็บนี่รับผิดชอบตรงนี้ใช้แก้กปัญหาได้ <c oughs> แต่จะอิงพรอย่างนั้นค่ะหลวงพอ่อคะสําหรับกรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไรคะอ๋อกรรมฐานแก้ใจเนี่ยแก้อย่างไงก็ขอเจริญพรต่อไปค่ะ <c oughs> กรรมฐานแปลว่าแก้กรรม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 จากที่การกระทําเขาเป็นตน้นแตามาีใขคอหากมาก็เพื่ออย่างนี้เองนี่เราก็รู้แก้ปัญหาตรงนี้ไปเจออินทรอย่างนั้นกฎแห่งกรรมเนี่ยค่ะหลุงพ่อจะ ก, กรุณาอธิบายต่ออีกนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ได้ได้เขาจะอินพร์แม้ดีมากถามเรื่องกฎแห่งกรรมต้มองแปลให้เข้าใจไปแปลสูงเด็กมาเข้าใจกดแปลว่าอะไรก่อนกดแปลว่าดันค่ะกดให้ลงค่ะให้จมลงไปค่ะกดแห่งกรรม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 <C ue> เนี่เอาหลักนี้มาพูดค่ะไม่มีใครเสียงฝรั่งเสียงไม่ขึ้นแค่น <C ue> ักวิชาการจะเสียงไงก็เสียงไปเพราะวิชาการเนี่ยมันมีแต่ความรู้มันไม่มีความคิดค่ะมันไม่มีสติปัญญาค่ <C ue> ะแต่คนที่มีปัญญาลจะคิดให้ชะลอบลงไป <C ue> คิดให้สัต้น <C ue> และให้ใหญ่จักรวาล ม, <C ue> มันอยากคิดยาวจนน้าท่วมภูมิบุ้งหลงเหลวให้ไม่ได้อย่าตะมาได้ของจริงกดแห่งกรรมตามเป็นจริงไม่ผิดเนี่ยเขาจะเป็ี้ค่ะ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 กายานุปัสสนาไม่ใช่หมายสูงกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายเหลียวซ้ายเหลียวขวาคู่เหยียดอีกขาเอาสติยัดเข้าไปเท่านั้นเองมีสติในการเดินควบคุมจิตนี่คือสิ่งนี่คือสินได้ความเนี้ยเวทนานุ ป, ปัสสนาติปทานเวทนาแปลวอะไรแปลว่าบังคับไม่ได้บัญชาไม่ได้มันเกิดขึ้นเองเวทนามีสมอย่างหนึ่งสุขก็เวทนา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 เย็นวันนี้ยดีใจเรื่อยไม่อจะตั้งสติไว้แล้วเงินเนี่ยพลาดไปไม่จะมาตามแบบแผนอันตรจารทุกคังหน้าตาไม่แน่นอนแล้วยอมจะเสียใจแก้ไม่ได้ต้องเตรียมตัวนะก็ต้องบอกว่ากําหนดดีใจหนอที่ลิ้นปีเนี้ให้ใจยาวๆไวพอตั้งสติได้ไอ้สติมันจะบอกเย็นนี้มาได้เงินมันจะบอกเองนะค่ะมาบอกว่าเย็นนี้มาได้เงินเขาไม่ได้มาให้เราจะได้เตรียมตัวไปหาที่อื่นแทนจะได้ไม่เสียใจนี่เรียกว่าสุขกวิชนะ